ไม่ควรเพื่อจะตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพาน น, นะพูดชัดเจนเลยนะไม่ควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม น, นะครับคือไม่ควรบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ควรบรรลุเป็นพผ้ารหัสนะครับถ้าหากว่าไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเนี่ยนะนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูุผู้มีความเพียรมีโอตตะปะควรเพื่อจะตรัสรู้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 ไม่เอื้อเฟือพิกษุเช่นนั้นไม่ควรเพื่อจะบรรลุญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนะครับคือนะไม่มีวิริยะนะครับขาดความเพียร น, นะนะขาดทิริโอตปะมากไปด้วยทีนะ่มิทะเนี่ยนะก็ไม่ควรบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรนะครับส่วนภิกษุใดมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตปะ ไม่ประมาทตัดกิเลส ช, ชาติเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราขาดแล้วพึงบรรลุยานเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แหละนะครับคือองค์ธรรมของการปฏิบัติใช่ั้มครับ 1. มีสติมีปัญญามีฌานมีความเพียรมีโอตปะแล้วก็ไม่ประมาทคือคุณธรรมอันนี้นะครับเป็นในสายมรรคนะครับก็จะตัดสมุทัย สมุทัยนี้ก็คือประกอบสัตว์เอาไว้กับชราและมรณะนะครับเพราะถ้าหาว่าปฏิบัติตามนี้ก็จะบรรลุญาณอันยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับข้อความในอัตกถานะครับว่าบทว่าอนาตาปีได้แก่ความเพียรชื่อว่าอาตาปะนะครับเพราะอาถาว่าเผากิเลส ท, ทั้งหลายนะความเพียรเนี่ยนะอาตาปีเนี่ยเผากิเลสชื่อว่าอาตาปีเพราะมีความเพียรคือมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองนะครับ ทำลายกิเลสให้มันร้อนนะนะท่านอธิบายว่าเป็นผู้เกียจคร้านคือเว้นจากสัมมาปทานคือความเพียรชอบอะนะมันผู้ที่ขาดสัมมาปทานนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วนะครับความหวาดเสด็งต่อบาปท่านเรียกว่าโอตตะปะชื่อว่าโอตตะปีเพราะมีความหวาดเสด็งคือสะดุ้งต่อบาปอันนั้นชื่อว่าอโนตะปีเพราะไม่มีความหวาดเสด็งได้แก่เว้นจากความหวาดเสด็ง อีกอย่างหนึ่งความไม่มีความเพียรเป็นปฏิปักษ์ต่อความเพียรได้แก่ความเกียรตคร้านชื่อว่าอนาตาปีเพราะไม่มีความเพียรก็คือเป็นคนเกียรคร้านนั่นเองนะครับไม่ภาคเพียรเจริญสามาปะปทานนะนะความไม่หวาดสะดุ้งใดที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าบุคคลย่อมไม่หวาดสะดุง้งต่อสิ่งที่ควรหวาดสะดุง้งคือไม่หวาดสะดุง้งเพราะเข้าถึงอกุศลธรรมอัลลามกความไม่หวาดสะดุง้งนั้นชื่อว่าอนโนตตะปะคือ ไม่มีความหวาดสืดุง้งชื่อว่าอนโนตตาปีเพราะไม่มีความหวาสดสืดุ้งนะครับคือคนที่มีคุณธรรมสอ ง, ส อ, งอย่างนี่นะครับเป็นอภัพอภัพโพนี่แปลว่าไม่ควรสัมโพธายะคือการบรรลุอริยมรรคนะครับไม่คู่ควรต่อการบรรลุอริยมรรคนิพพานายะไม่คู่ควรแก่อมะตะนิพพานอันสงบจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนะครับไม่คู่ควรกับการปรินิพพานอ่างนั้นเถิด อนุตตระสะโยคเขมสะได้แก่อรหัตผลคือไม่คู่ควรแก่การบรรลุอรหัตผลนี่อธิบายคําว่าอรหัตผลนั้นอรหัตผลนั้นชื่อว่าเป็นอนุตระนะครับคือมันชั้นเยี่ยมนะเพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นที่ยิ่งกว่าเคยได้ข่าวไหมว่ามีอะไรยิ่งกว่าอรหัตผลอีกนะครับในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับที่จะยิ่งกว่าอรหัตผลเนี่นะเพราะว่าภิกษุผู้เป็นพระเสกขะเป็นพระอรหันต์แล้วก็จบกิจแล้ว หมายค่าว่าถึงชั้นสูงสุดแล้วนะครับเลยไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าโสดาปฏิมักนะยังมีสกะธาคามิมรักรยิ่งกว่าสกะธาคามีมรักรก็ยังมีอนาคามีมรักรยิ่งกว่าอนาคามีมรักรก็ยังมีอรหัตตะมักยิ่งกว่าอรหัตตะมักก็ยังมีอรหัตตผลที่ยิ่งกว่าพาะสงบระงับแล้วแต่ถ้าอารหัตตผลแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกแล้วนะครับแล้วก็อรหัตตผลเนี่ยนะครับชื่อว่าเขมะเพราะเป็นแดนเกษม เพราะไม่ถูกโยคะสี่เบียดเบียนนะท่านกล่าวว่านิพานและว่าเป็นแดนเกษมจากโยคนะคือไม่คู่ควรนะคนที่มี อ, อนาตาปีคือไม่มีความเพียรเป็นอโนตตปีคือไม่มีโอตตัปะนะครับก็ไม่คู่ควรแก่สำโภธายะคือเรีย ม, มัคนิพานายะคืออมตะมหานิพานหรือ อ, อ, อนุตตระ อนุตตรสยะคเขมาสะคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะครับไม่คู่ควรอย่างที่ว่าไปเลยส่วนในฝ่ายขาวนะครับที่พระองค์ตรัสว่าส่วนพิสู้มีความเพียร น, นะครับมีโอตตะปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับฉันคําว่าอาตาปีนี้มีความเพียรจริงอยู่ผู้มีความเพียร น, นั้น เป็นผู้ประกอบด้วยวิริยารมพระคือหมายความว่าปรารบความเพียรดังที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีกําลังใจมีความเพียรมั่นไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนะครับนี่ลักษณะของผู้มีความเพียร น, นะคือเพียรเพื่อละอกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งเพียรเพื่อเจริญกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับ ทีนี้กุศลเนี่ยไม่ใช่ละอย่างเดียวระวังไม่ให้เกิดขึ้นด้วยกุศลก็ไม่ใช่ทําให้เกิดอย่างเดียวก็ต้องพอกพูนพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะครับมีความเพียรมั่นแล้วก็ไม่ทอดทุระในในการบําเพ็ญกุศลเหล่านี้เลยนะครับหมายความว่ารักษากุศลบริหารกุศลอย่างต่อเนื่องไปยกตัวอย่างเช่นคนที่เจริญพุทธานุสติก็บริหารพุทธานุสติให้ต่อเนื่องไป ย, ยาวนะครับ หรือคนที่เจริญเมตตาก็เพียรที่จะบริหารเมตตาเนี่ยนะให้เป็นไปเว้นไว้แต่หลับนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีความเพียรถ้าคนเจริญเรื่องศีลเนี่ยนะครับ <_ d ood le> เห็นอะไรก็ปรารบไปเรื่องศีลให้ยาวเป็นต่อเนื่องปรารบวิปัสนาภูมิทั้งหลายก็มีวิปัสนาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับหรือถ้าไม่ต่อเนื่องก็สลับระหว่างศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ให้จิตตกไปในอกุศลถ้าจิตตกไปในอกุศลก็หมั่นชําระอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็มีฉันท่าอย่างแรงกล้าในการพอกพูนกุศลเหล่านั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่ามีอาตาปีนะครับคือเพราะมีปกติเผากิเลสได้โดยสิ้นเชิงเ <c oughs> ชื่อว่าโอตา ป, ปีได้แก่ชื่อว่ามีปกติเผากิเลสเพราะประกอบด้วยโอตา ป, ปะดังที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าบุคคลย่อมเผาสิ่งที่ควรเผาคือเผาความเกิดแห่งอกุศลธรรมอัลามกดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า โอตัปจริงอยผู้ประกอบด้วยฮิริและโอตัปะเพราะเว้นจากอากุศรุลธรรมอัลลามกท่านว่าเป็นผู้มีโอตัดปะด้วยประการชนีนะครับคืออายต่อความชั่วกลัวต่อบาปปรกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอากุศุลกรรมอัลลามกไม่ว่าจะล่วงทางกายก็ดีก็ไม่ให้เกิดขึ้นล่วงทางวาจาก็ไม่ให้เกิดขึ้นแม้แต่ความคิดจิตก็ไม่เป็นไปกับบาปนะครับผู้ถึงพร้อมด้วยฮิริโอตัปะ เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายท่านแสดงถึงศีลสัมปทาของผู้นั้นด้วยประการชนีนะพุทธพจน์ที่บอกว่ามีโอตตะปะเนี่ยนะครับเท่ากับว่าแสดงศีลสัมปทาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าฮิริโอตตะปะเป็นเหตุใกล้ของศีลนะครับถ้าหากว่าฮิริโอตตะปะไม่มีศีลก็ไม่มีนะครับ เขาบอกว่าพูดถึงเหตุใกล้ก็ต้องแสดงว่ามีเหตุใกล้ใช่ไมครับศีลเนี่ยนะครับมีทั้งเหตุใกล้และเหตุไกลเพื่อให้เกิดศีลเนี่ยนะเหตุไกลก็คือการศึกษาการเรียนรู้การฟัง อ, งอนิสงส์เป็นต้นของศีลเนี่ยนะครับการรู้ว่าโทษของการล่วงละเมิดศีลเนี่ยนะการเรียนรู้เหล่านั้นเป็นเหตุไกลของศีลนะครับส่วนเหตุใกล้ก็คือหิริโอตปะนะครับเป็นเหตุใกล้นั่นนะ เคยสังเกตไหมว่าผ้าเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้และมีอะไรเป็นเหตุไกลผ้าที่ห่มเนี่ยนะจีวรเนี่ยห่มหมอยู่เนี่ยนะเสื้อผ้าทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้และเหตุไกลเหตุใกล้ของผ้าได้แก่เส้นด้ายนะครับที่มาทอทอทอทักๆักเนี่ยนะเหตุใกล้ของผ้าเนี่ยนะที่นุ่งห่มเนี่ยนะคือเส้นด้ายเหตุไกลก็คือพวกโรงงานเป็นต้นนะครับกระบวนการผลิตนั่นคือเหตุไกลแต่เหตุใกล้ได้แก่เส้นด้ายชั้นใดเสื้อผก็เหมือนกันนะครับ เหตุไกลก็คือการเรียนการฟังการครบสัตว์บุรุษเป็นต้นนะนะส่วนเหตุใกล้จริงๆของศีลก็คือมีหิริโอตตะปะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เรียนบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรเพราะขาดหิริและโอตตะปะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุใกล้ของศีลจริงๆได้แก่หิริและโอตตะปะอันพระพุทธพจน์ที่บอกว่าผู้มีโอตตะปะเนี่ยนะครับคือเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อบาปก็แสดงว่ามีหิริอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ อันคำพูดนี้เท่ากับแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยศีลแห่งผู้นั้นเพราะฉะนั้นจตุ ป, ปาริสุทัยศีลก็เท่ากับบริบูรณ์แล้วนะครับบทว่าอาตาปีท่านแสดงถึงความที่บุคคล น, นั้นเป็นผู้ขวนขวายในสมถะและวิปัสสนาภาวนาโดยแสดงถึงการเผากิเลสโดย น, ยนิยะนี้เพราะฉะนั้นคาว่าเผากิเลสนั้นเป็นชื่อของสมถะและ วิปัสนาเพราะนั้นถ้ามีความเพียรเนี่ยนะครับแสดงว่าคนนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเองนะครับอันหนึ่งความเพียรตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับคืออาตาปีเนี่ยนะถ้าเว้นจากศรัทธาซะเว้นจากสติเว้นจากสมาธิและเว้นจากปัญญาจะมีไม่ได้นะครับไอความเพียรในการเจริญสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะครับถ้าหากขาดศรัทธาสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะ คือขาสัตธินสีสตินสีสมาตินสีและปัญญินสีก็เจริญอาตาปีไม่ได้เพราะเหตุนั้นอินทรีย์อันมีศรัทธาครบห้าทำวิมุติให้แก่กล้านะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่มวิมุตให้ให้แก่จริงๆนะครับเป็นอันท่านกล่าวโดยอัตถ่เท่านั้น น, น, นะนะคือถ้าหากว่าพูดเ อ, เอาเฉพาะ หัวข้อหลักๆ ก, ก็คือมีโอตตะปะกับมีความเพียรแต่ว่าบริวารของโอตตะปะก็คือศีลครับถือความถึงพร้อมแห่งศีลความถึงพร้อมแห่งอาตาปีก็คือสมถะและวิปัสสนาทีนี้คนที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องมีศรัทธาสติสมาธิและปัญญานะครับในการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้น น, นะทั้งอินทรีห้านี่แหละครับเป็นธรรมะบ่มวิมุตินะครับการเจริญอินทรีห้านี่นะอินทรีย์5นั้นจะเจริญด้วยอาการ15นะครับ คือหนึ่งเว้นจากคนที่ขาดศรัทธาขาดวิริยะขาดสติขาดสมาธิและขาดปัญญาในี่5ข้อก่อนแล้วก็อีก5าข้อก็คือครบคนมีศรัทธาครบคนมีความเพียครคบคนไม่หลงลืมสตินะครบคนมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ครบคนมีปัญญาเนี่ยนะปัญญาเห็นความเกิดดับพิจารณาความเกิดดับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งอินทรีย์ห้านะครับแล้วก็การพิจารณาพระสูตรนะครับ พิจารณาพระสูตรคือพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นต้นอีก5 5ประการก็เท่ากับอินทรีย์5จะเจริญด้วยอาการ15นะครับแต่ถ้ากล่าวเฉพาะตรงๆก็คืออินทรีเนี่ยนะครับเป็นเป็นเครื่องบ่มวิมุตตนะครับเป็นเครื่องบ่มมรรคผลนะครับในความสำเร็จนั้นเนี่ยนะครับสัญญาอันเป็นนิเพทภาคีคือสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสเนี่ยนะครับคือส่วนแห่งการตรัสรู้เนี่ยอีก6ประการด้วยกัน ค, คือถ้ามีธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ต้องเจริญสัญญาอีก6ประการนะครับเพื่อการชำระ ก, กิเลสเนี่ยนะครับเพื่อการบรรลุมรรคผลเนี่ย น, นะหประการก็คือสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะคือพิจารณาขันแต่ละขันเนี่ยนะครับเช่นรูปประคันว่าไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนะไม่เที่ยงเพราะอัถะว่าสิ้นไปเนี่ย น, นะครับทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขันก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงครับ ไม่เที่ยงนพราะสิ้นไปอีกอย่างหนึ่งนี่ครับบอกคำว่าไม่เที่ยงก็คือเป็นลักษณะของสังขารธรรมหรือสังขตะธรรมนี่นะครับเรียกว่าอันปั จ, จัยปรุงแต่ ง, งนนะอาศัยการเกิดขึ้นนะครับมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะครับนันลักษณะหนึ่งของความไม่เที่ยงนะครับนั่นคือไม่เที่ยง อันปัจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาแลก็มีความดับไปเป็นธรรมดาหรรือววว่าามมีคแปปนไปปเ็นนธรรมดั่นเองนะครับนี่ลักษณะว่าสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะครับในขันทั้ง5ประการทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็สัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์เพราะอธรรมว่าพยาเทนะเพราะอธรรว่น่ากลัวนะครับ หรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะถูกไฟคือราคะเนี่ยเผานะครับขันห้าเนี่ยถูกไฟคือราคะเนี่ยเผาไฟคือโทสะนี่เผาไฟคือโมหะก็เผานะครับแล้วก็ขันห้านี่แหละครับเป็นไปกับชาราตินั้นจึงเรียกว่าชาติเนี่ยเผาชาราติดตามนะครับมรณะห้ามหันนะครับเพราะฉะนั้นถูกไฟคือชาติชารามมรณะและะ้วก็โสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะครับแผดเผาอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นทุกข์นะครับ แล้วก็สัญญาในทุกขนั้นแหละว่าเป็นอนัตตานะครับก็ของทั้งไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแมย้จะไปบอกว่าอัตตาได้ยังไงนะครับใครจะไปอยากได้มันทําอะไรนะครับจะไปสําคัญมั่นหมายไปวิปลาสทำอะไรนะครั บ, ไ ม, ม ไ, ไ, รรบไม่มีสาระอะไรเลยสักอันหนึ่งนะครับอ่า น, นะขันห้าเนี่ยนะครับไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา แล้วไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่นะครับก็ยังถูกไฟคือราคะเผาอีกนะครับถูกไฟคือโทสะถูกไฟคือโมหะถูกไฟคือชาติชารามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาชนี่แผดเผาอีกแม่มจะไปมีสาระได้ยังไงครับของสิ่งนี้ทัานจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะเรียกาอาสารกัตเถนะไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระไม่มีสุภาสาระเลยนะครับ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตัวว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานะครับว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนเห็นไะหเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าอนัตตาอีกอย่างหนึ่งในขันห้าให้เห็นชัดเจนเนี่ยนะบอกว่ารูปประขันเหมือนกับพวกฟองน้ำนะครับฟองน้ําเท่านั้นเองนะครับฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําเบาะนั่งนะไอ้ฟองน้ําที่ลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ฟองน้ําเหล่านั้นมีมแมลงมีงูเป็นต้นเนี่ยนะ พันขันห้รูปขันเนี่ยนะเหมือนฟองน้ําเวทนาขันก็เหมือนต่อมน้ําสัญญาขันก็เหมือนพยับแดดนะครับสังขารขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนกับมายากลนะครับยยนี่ยนะนี่ยนะยยนครับก็ไปฟังเรื่องเทพสุญญาตานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาในทุกว่าเป็นอนัตตา น, นะครับ แล้วก็ต่อไปบอกว่าสัญญาในการละนะครับประ hana สัญญาเนี่ยนะครับก็คือต้องละนะคือคาว่าละคลายละอะไรครับละความสําคัญว่านะประ h a เนี่ยนะครับแต่ทางข้าปหานก็ละอะไรครับละนิจจสัญญาละสุขสัญญาละอัตตสัญญาก็ต้องประ hana นะครับต้องละแล้วก็ละวิราคะคือละความกําหนัดในขันหานีโรถสัญญาก็พิจารณาถึงความดับของ ขันท่านะครับก็เป็นอันสําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจริญในลักษณะนี้สัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชํำระ ก, กิเลส6ประการก็จะเจริญขึ้นตรงนี้เน้นที่สัญญานะครับเน้นที่สัญญาแต่ก็เป็นชื่อของปัญญาอีกนั่นแหละครับก็หมายถึงปัญญาอีกนั่นแหละแต่ว่ากุศลธรรมเหล่านี้ก็ต้องอาศัยอะไรครับโนอนอาศัยโอตปีนะครับเป็นคนมีโอตปะอันโอตปะก็หมายถึงว่าถึงพร้อมด้วยศีลธรรมา แล้วก็ต้องมีอะไรครับอาตาปีคือถึงพร้อมด้วยสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนานะครับก็จักเจริญธรรมะเหล่านี้ได้เมื่อเจริญธรรมะเหล่านี้ได้ก็เป็นอะไรครับเป็นภพภโภเป็นผู้ควรควรแก่อริยมรรคควรแก่อมตะมหานิพพานควรแก่อ ร, ร, อรหัตผลนะครับเป็นธรรมะชั้นเยี่ยมั้นเป็นธรรมะที่เกษรรมจากโยคะทั้งสี่ประการเนี่ยนะถ้าประพฤติปฏิบัติไปตามนี้แล้วนะครับ พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงถึงความเป็นผู้ควรเพื่อบรลุษมรคนิพานเพราะศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโลกิยะของผู้ประกอบด้วยธรรมะ2เหล่านี้สําเร็จจึงตรัสว่าอาตาปีเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะที่เป็นไปเพื่อโลกุตระบรุษกุสุลธรรมชั้นสูงนี่นะครับฐานล่างๆเลยคือโอตาปีกับอาตาปีโอตาปีนี้แปลว่ามีโอตาปะ นะครับก็คือหิริโอตปะก็เป็นเรื่องของศีล น, นะครับอาตาปีก็ส ม, มถะและ ว, วิปัสสนาะปฏิบัติอย่างนี้แหละจึงคู่ควรแกการบรรลุมรรคผลที่หมายถึงว่ า, าพิสู้มีความเพียรมีโอตปะควรเพื่อจะตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมดังนี้นะครับส่วนในคาถานี่นะครับคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า พิสุใดไม่มีความเพียรไม่มีโอตปะเกียรติคราดมีความเพียรเลวมากไปด้วยถีนะมิธาไม่มีฮิริไม่อื้อเฟือพิสุเช่นนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรเพื่อบรุญยานเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมส่วนพิสุใดที่มีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตปะไม่ประมาทตัดกิเลสชาติเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราขาดแล้ว เพื่อบรลุญยานเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แหละพันธุ์อธิบายว่ากุสีโตนะครับชื่อว่ากุศีตานี่แปลว่าจมหรือพัวพันเกี่ยวข้องด้วยธรรมะอันลามกซึ่งน่าเกลียดนะครับถามว่าพวกกุศิตาทั้งหลายกุสีโตเนี่ยนะคนเกลียดคราเนี่ยคือยังไงครับคนที่จมไปในกาลมวิตกนะครับจิตปล่อยจมให้เป็นปกายกาลมวิตกเนี่ยนะครับถามว่าเป็นยังไงครับกามวิตก นึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงโผฏหะทั้งหลายนี่นะครับลักษณะนั้นเะนี่ยนะนึกถึงหน้าใครสักคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกามวิตกครับนึกถึงคําพูดของใครโดยมากก็เป็นกามวิตกนึกถึงกลิ่นอะไรสักอย่างโดยมากก็เป็นกามวิต ก, กนึกถึงรสอะไรสักอย่างโดยมากก็เป็นกามวิตกอีกนะครับนึกถึงแหมโอ้โหนี่หนาวๆอย่างนี้นะถ้าได้อุ่นๆ น, นะในพวกนี้ก็กามวิตกนะครับลักษณะนี้กามวิตกข้างนั้นเลยนะครับ ลักษณะนี้นะครับจมแล้นะครับพัวพันแล้นะเรียกว่ากุสีโตนะครับคนเกียรติค้านนะครับนะคนที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับพยาบาทวิตตกเนี่ยนะครับนึกถึงเอ๊ะทำไมคนนั้นมาว่าอย่างนี้กับเราเป็นต้นเนี่ยนะนึกถึงเอ๊ะทำไมเขาแสดงสีหน้าแบบนั้นกับเราทําไมเขาพูดคํานั้นกับเราทําไมกิริยาอาการพวกนี้นะครับเรียกพยาบาทวิตก เอ้นี่วันนี้จะต้องไปต่อว่าใครสักคนหนึ่งนะเอ้สมมคนนั้นทําไมทําอย่างนั้นเนี่ยต้องไปแนะนําให้สั่งสอนซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะนะด้วยโทสะเนี่ยพวกนี้เป็นวิหิงสาวิตกนะครับเนี่ยและคนเกียรครัดนะครับพวกกุศีตะทั้งหลายนะใครที่มีความคิดแบบนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่นชมอะไรสักนิดเลยนะครับตําหนิด้วยซ้ําไปแล้วก็คนที่มากไปด้วยมิจฉาทิฐินี่นะครับเป็นไปกับทิฐิสากายยทิฏฐิยี่สิหรือว่าทิฏฐิหกสินะครับพวกนี้กุสีโตนะครับ คนเกลียดคร้นหรือสร้างไปสู่ความน่าเกลียดนะครับไหลไปสู่ความน่ากเกลียดพ้นไปจากการปฏิบัติชอบแล้วขณะนั้ gdzieś, hey điều, นนะกามวิตกเกิดขึ้นเนี somebody, lost, ่ยสัมมาปฏิบัติไหมครับสุปฏิปันโนนะครับการมวิตกเกิดก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนอีกนะครับการมวิตกเกิดก็ไม่ใช่อุชูปฏิปันโนกามวิตกเกิดไม่ใช่ญาญปฏิปันโนการมวิตกเกิดก็ไม่สามีจิตปฏิปันโนนะครับไม่คู่ควรกับการกราบไหวอะไรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่อากุศลวิตกเกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนประปฏิบัติชอบนะครับปฏิเสธสุปฏิปัปนโนอุชุปิปัปนโนยายาปฏิปัปนโนสามีจีปิปัปนโนหมดเกลี้ยงเลยนะครับในในรครับถากไปจนหาแก่นนิดเดียวนะทีแรกก็เอาแหมเอาต้นอะไรนะต้นต้นกล้วยมาบเบริ่มเลยนะครับเอาต้นกล้วยมาใหญ่โตมากนะค่อยๆลอกกาบออกไปทีละกาบสองกาบ เอ็มจะหาแก่นยากเข้าไปทุกทีทุกทีทุกปีนะครับจะสร้างบ้านไปหน่อยครับจะเอามาสร้างบ้านไปหน่อยแต่ก็ดีแล้วนะครับที่พ่อแมงั้นก็จะไปรวมรวมเอาอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับเต็มถังไปหมดเลยนะเคเห็นนะครับที่เขาหิ้วอะไรของตามถนนนะครับมีคนบางคนเนียผมยาวๆเนี่ยนะก็มีถุงอู้เบ้อเบรอ้บรอนะครับก็เก็บนะครับเทศบาลไม่ต้องจ้างอ่ะนะกเก็บรองเท้าข้างหนึ่งบ้างเศษนอ็อตเศษตะปูเศษขยะเศษสา ร, รพัดนะครับเก็บไหม รกระป๋องนมเก่าๆเอามาร้อยด่าลากดังคล่องคล่อคล่งคคล่งค่งนะครับรองเท้าก็ขาดขาดนะครับใส่ข้างหนึ่งไม่ใส่ข้างหนึ่งถือไว้ข้างหนึ่งนะก็ขัดขาดออกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่นักนักถ้าพอากาันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปลอกออกเนี่ย ไ ม, ไม่ไม่ไม่ได้ลอกออกากาบกล้วอยออกเราจะไม่รู้ว่ากาบต้นกล้วยนั้นไม่มีกั น, นครับผมทีนี้น <ะ S 2> เราก็นา่งฝันอยู่งั้นว่าจะเอาต้นกล้วยสร้างบ้านจะต้นกล้วยสร้รางบ้านนังฝันอยู่งั้นนะก็รู้แล้วนะครับเพาจะได้หาไม้แก่นกทิ้ง <c oughs> นั่นแหละครับก็จะกุสีโท <c oughs> แล้วก็หีนะวิริโยด้วยนะครับก <c oughs> ็บอกว่าหีนะวิริโยเนี่ยนะครับก็คือไม่มีความเพียรมีความเพียรซามนั่นเองนะครับ น, นี่แปลว่าสามใช่ไหมมีความเพียรสมคือเว้นจากการทําความเพียรในอีริยาบดีนะครับก็คือเนี่ยแหละครับไม่มีเพียรกําจัดการมัวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกในอีริยาบดีนี่ก็เรียกว่าคนมีความเพียเรเลวนะครับเป็นผู้มากไปด้วยถีนาะมิทะง่วงเาหาเหานอนนะครับถีนะก็เช่นเกียรติคร้านทางจิตสลึมสลือนะครับตาเหลือบขึ้นเหลือบลงนี่จะหลับไม่หลับแล่นะครับนั่งโยกซ้ายโยกขวาเป็นต้นเนี่ยนะครับ นะครับดูเหมือนขรึมสำรวมมากเลยนะครับถ้าเทียบกับไปทำปานาิบาก็ต้องดีกว่านะสลมสลือย่างนั้นก็ดีกว่าทำปานาติบาตอธินาทานกาเ ม, ดามาา่ดีกว่ามูสาวาตดีกว่าไปกินเหล้าเมายาดีกว่านี่ดีกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ร่วงก ร, รมบทอะไรใช่ไหมครับมันก็บาปก็บาปน้อยๆห น, น, น่อยนะแต่ที่นี่ก็พระองค์ก็ตรัสว่านี่แหละคะรับเรียกว่าคนเกียติคร้านมากไปด้วยทีนะมิทเกียรติคร้านทางจิตนะครับอยเงาไรความอุสาหานะครับ ธรรมะไม่แจ่มแจ้งเลยนะครับเหมือนช้างทั้งตัวมาล้มทับนะครับมันจะลุกจะเดินจะเหินก็ไม่หวัดไม่ไว้นะครับอืดอาดได้หมดนะครับฮินาวีระยโยเนี่ยไม่ต้องใช้ธรรมะอะไรกําจัดนะก็นี่แหละครับใช้ความเพียรสัมมาประธานเป็นเครื่องกําจัดนะครับใช้สัมมาประธานเสียนะเครื่องกําจัดนะเพียรเพื่อกําจัดอะไรครับกําจัดกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกนั่นนะครับ